ที่31กรกฎาคมที่ผ่านมาเป็นวันเข้าพรรษาก็มีเหตุการณ์หนึ่งนะที่จังหวัดขอนแก่นก็เป็นอนุสติเตือนใจพวกเราได้เป็นอย่างดีก็มีพี่น้องนะคนหนึ่งอายุ53คนนึงอายุ41ผู้ชายน้องชายนี่ก็เห็นว่าพี่ชายเนี่ยติดเหล้านะก็ขอร้องพี่ชายให้เลิกเหล้านะในช่วงเข้าพรรษา3เดือน พี่ชายก็ยังไม่ยอมก็ยังกินเหล้าอยู่น้องชายก็เลยต่อว่าพี่ชายนะก็คงจะต่อว่ามาหลายครั้งนะพี่ชายก็ยังกินเหล้าอยู่จกนกระทั่งแตเมื่อวันสองวันก่อนนะพี่ชายก็เกิดโทสะอาจจะเป็นเพราะริดเหล้าด้วยนะก็ไปคว้าเอาขวานมานะจะไล่ทาร้ายน้องชายนะน้องชายก็มีคคัตเตอร์อยู่นะก็ควักคัตเตอร์ออกมาป้องกันตัว แต่ก็ไม่ได้มีการกระทักกันเพราะว่าเพื่อนๆของพี่ชายก็ห้ามเอาไว้พี่ชายนั่นคงจะเมามากก็หลับไปนะแล้วก็คงจะไม่ค่อยสบายเพื่อนที่ห้ามพี่ชายไว้ก็เลยไปตามรถเพื่อจะไปส่งพี่ชายไปโรงพยาบาลในตอนที่อยู่กันสองต่อ2เนี่ยน้องชายก็คงจะโกรธพี่ชายมากก็ฉชยโอกาสนะคะที่พี่ชายหลับเนี่ยนะเอาคัตเตอร์นี่ปาดคอเลยนะ บอกว่าตายก็คงสำนึกผิดนะก็รอตำรวจมามอบรอให้ตำรวจมาจัดนะไม่หนีอันนี้มันก็ได้แง่คิดนะถึงแม้ว่ามันจะเป็นเหตุร้ายนะแต่ว่าเหตุร้ายแบบนี้มันก็สอนใจเราได้อย่างดีอย่างเช่นน้องชายเนี่ยนะเอาแต่เตือนพี่ชายนะแต่ลืมเตือนตัวเองนะ พี่ชายนี่กินเหล้านี่ที่จริงมันก็ไม่ได้หนักหนาสาหัสเท่ากับการที่ตัวน้องชายนี่ไปทำกับพี่ชายนะพี่ชายแค่ผิดสีงข้อห้านะแต่ว่าน้องชายนี่ผิดสีงข้อที่หนึ่งเต็มเต็มเลยนะเตือนคนอื่นนะแต่ว่าลืมเตือนตนมองเห็นโทษของคนอื่นมากมายแต่ว่า <c oughs> ไม่เห็น อ, อันตรายของกิเลส ท, ที่มันครอบงาจิตใจตัวเองแล้วมังได้แง่คิดถึงเนอะว่าตัวทําไมน้องชายเนี่ยนะถึงทําขนาดนี้ได้นะมันเริ่มต้นจากความหวังดีหวังดีกับพี่ชายนะอยากให้พี่ชายเลิกเหล้านะพอหวังดีแล้วก็เตือนเตนแล้วเขาไม่ฟังก็เริ่มจะไม่พอใจนะแล้วยิ่งเขาตัวพี่ชายนี่ก็อาจจะต่อว่าอาจะไอถึงขั้นด่าทอมันก็ยิ่งทําให้โกรธนะ จนลืมตัวนะพอลืมตัวแล้วเนี่ยมันทำอะไรก็ได้นะรู้ว่าการทำร้ายหรือการฆ่าเนี่ยมันผิดศีลนะรู้อยู่เต็มหัวนะแต่ว่าตอนนั้นลืมตัวคนเราพอลืมตัวแล้วเนี่ยมันก็ลืมทุกอย่างนะลืมแม้กระทั่งว่านี่คือพี่เรานะบางคนลืมหนักกว่านั้นนะลืมแม้กระทั่งว่าใครเป็นพ่อใครเป็นแม่นะทำร้ายพ่อทำร้ายแม่ได้ แต่นาจเป็นเพราะว่ากินเหล้านะคนที่กินเหล้าเมาออยาวนี่ก็ทําร้ายพ่อแม่แต่ว่าน้องชายคนนี้เนี่ยเมาอารมณ์นะไม่ได้กินเหล้านะแต่ว่าเมาเมาอารมณ์ก็คือความโกรธนะความโกรธเกิดขึ้นบางทีก็ทําให้เมาได้นะบางทีเมายิ่งกว่าเมาหนักยิ่งกว่าเมาเหล้าสิกนะอย่างอย่างน้องชายถ้าเมาเหล้าคงจะไม่ไปฆ่าใครนะแต่พอเมาความโกรธแล้วเนี่ยมันก็สามารถจะลงมือทําร้ายพี่ชายได้แท้ๆได้ ทำไมการเริ่มต้นด้วยความปรารถนาดีนะมันจึงมาหลงเอ่ยด้วยาการฆาตกรรมทำรายเขาได้นะอันนี้ก็เป็นข้อเตือนใจนะว่าคนเราเนี่ยเวลาแม้จะจเจตนาดีนะแต่ว่าถ้าไปยึดมั่นถือมั่นกับความตั้งใจดีของเราเช่นอยากจะให้เขาเลิกเหล้านะพอเขาไม่ยอมเลิกเหล้านะก็โกรธเขา ก็คงจะด่าว่าด้วยเลยนะคืออยู่ดีๆพี่ชายคงจะไม่เอาเอาขวานเนี่ยมาทำร้ายน้องชายนะก็คงมีการต่อว่าด่าทอกันนะแล้วก็เชื่อว่าเนี่ยน้องชายคงจะด่าพี่ชายไปไม่น้อยนะเพราะว่าไม่ยอมเลิกเล่านะให้การด่านี่มันก็คือการไปทำร้ายจิตใจของคนอื่นนะปรารถนาดีแต่ว่าพอไปยึดมั่นในความความดีแล้วเนี่ย ครันเขาไม่ดีอย่างที่เราต้องการเร า, เราอยากเห็นเนี่ยนะมันก็เกิดความโกรธพอโกรธแล้วก็ต้องมีการด่ากันนะพอด่านี่ยเขาก็ด่ากลับมันก็เลยกลายกลายเป็นการทะเลาะกันความดีเนี่ยนะแม้เราตั้งใจจะทำกับใครก็ตามเนี่ยนะต้องระวังนะอย่าอย่ากลายเป็นความยึดมั่นถือมั่นว่าต้องดีแบบกูนะต้องดีแบบของกูนะเพราะตรงนี้เนี่ยมันเปิดช่องให้กิเลสเล่นงานแล้ว ก็กลายเป็นว่าแทนที่จะทำเพื่อเขากับกลายเป็นการทำเพื่อเรานะทำเพื่อให้เป็นไปอย่างที่กูต้องการนะอันนี้เรียกว่ามันมีความยึดมั่นในตัวกูของกูอยากจะให้เขาทำอย่างที่เราเห็นอย่างที่เราคิดว่าดีบางทีพ่อแม่ก็ทำอย่างนี้กับลูกนะหรือว่าลูกก็ทำอย่างนี้กับพ่อแม่ลูกอยากจะเห็นพ่อแม่ป่วยพ่อแม่ป่วยเพราะสูบบุหรี่จนกระทั่งเป็นมะเร็งปอด หรือพ่อแม่กินกินอาหารไม่เลือกจนกระทั่งเป็นเบาหวานนะหรือว่าเป็นโรคหัวใจไนะขมันเนี่ยอุดนะตันเส้นเลือดอยากจะให้พ่อแม่เลิกบุหรี่ให้พ่อแม่เลิกกินอาหารประเภทที่มันมีน้ําตาลมีไขมันแต่พอพ่อแม่ทําไม่ได้หรือว่าไม่ยอมให้ความร่วมมือนะให้ความปรารถนาดีต่อพ่อแม่เนี่ย มันก็กลายเป็นความไม่พอใจนะไม่พอใจพ่อแม่พราพ่อแม่ทำงี้มากๆเข้าความไม่พอใจของลูกก็สะสมนะจนกระทั่งด่าไปนะหรุดปากด่าพ่อด่าแมนะนะ่ก็ทำให้เกิดความเสียใจนะแม่ก็เสียใจพ่อก็เสียใจนะคนป่วยนะลูกก็เสียใจนะแล้วก็ บางทียิ่งถ้าเกิดพ่อแม่ตายไปเนี่ยก็ในความเสียใจความรู้สึกผิดนี่ก็จะติดค้างใจไปอีกนานนะบางทีติดค้างใจไปจนตายนะยี่สิปีสามสิบปีก็ไม่ได้ทำให้ความรู้สึกผิดมันเลือนหายไปจากจิตใจได้อันนี้ก็เพรา ะ, ะความยึดมั่นถือมั่นนะปรารถนาดีกับพ่อแม่นะอยากให้พ่อแม่มีอายุยืนอยากให้พ่อแม่หายป่วยอยากให้พ่อแม่อยู่กับเราไปนา น, น, าน แต่ว่าพอพ่อแม่ไม่ทำตามใจเราไม่ทำตามคำแนะนำของเรานี่โกรธแล้วเนี่ยอันนี้เรียกว่าพอไปยึดมั่นถือมั่นแล้วเนี่ยมันก็เป็นการอยากให้เขาทำดีเพื่อเพื่อเราเนะไม่ใช่เราแนะนาเพื่อเขาเนีเราแนทีแรกเราแนะนำด้วยความปรารถนาดีต่อเขาแต่แปลมาเนี่ยเราอยากให้เขาทำดีอย่างที่เราต้องการ เป็นการทำเพื่อเรานะไม่ใช่เราทำเพื่อเขานะและพอเขาไม่ทำอย่างที่เราต้องการก็โกรธนะคนที่โกรธนะเพราะปรารถนาดีกับผู้อื่นนี่มันมันเกิดขึ้นบ่อยมากนะหรือว่าเป็นเรื่องธรรมดาก็ได้นะมีเมตตาแต่ว่าเมตตาอย่างไม่มีสติเมตตาอย่างไม่มีปัญญาเกิดความยึดมั่นถือมั่นในความในในความปรารถนาดีของตัวเองเนี่ยมันก็สามารถจะกลายเป็นโทษได้ ทนะ่านต้องระวังนะพ่อแม่เนี่ยที่ปรารถนาดีกับลูกก็ต้องระวังนะว่าไอ้ความปรารถนาดีของเราเนี่ยมันเจอไปได้วยกิเลสหรือเปล่านะอยากจะให้ลูกนะเรียนวิชานี้เรียนคณะ น, นี้เรียนมหาวิทยาลัยนี้นะแต่ว่าลูกไม่ยอมเรียนนะลูกอยากจะเรียนคณะอื่นวิชาอื่นนะพ่อแม่ก็โกรธนะต่อว่าลูกนะก็เกิดการทะเลาะเบาแวงกันได้เนะนะพราะฉนั้นเนี่ยนะเร า, เ, ราเวลาเรา เจตนาดีเราปรารถนาดีกับใครก็ตามเนี่ยนะให้ทําอย่างมีสตินะไม่ได้คิดว่าในเมื่อฉันปรารถนาดีกับเธอแล้วเนี่ยนะเธอต้องทําตามฉันนะถ้าไม่ทําตามฉันที่ฉันโกรธนะนะอันนี้มันจะทําให้เกิดความเสียหายตามมาได้ในะกรณีเนี่ยที่เล่ามานนึก็เห็นเลย น, นะว่ามันน่าคิดมากทีเดียวนะปรารถนาดีอยากจะให้พี่ชายวดเล่าเข้าพรรษานะแต่ตัวเองนี่กลับไปฆ่าเขาเนี่ยอันนี้มันสามารถจะเกิดขึ้นกับใครก็ได้นะถ้าไม่มีสติถ้ามีความยึดมั่นถือมั่น ในความดีในความปัรถนาดีของตัวเนี่ยมันก็สามารถจะเกิดเหตุร้ายได้เสมออาละเตรียยรละพร